َأَقْسَمُوا أَيْمَانِهِمْ أَنَّهَا قُلْ جَاءَتْهُمْ لَيُؤْمِنُنُنَّ مَا وَمَا بِاللَّاهِ بِهَا لَإِنْ الْآيَاتُ اللَّهِ جَهْدَ جَاءَتْ عِندَ آَيَةٌ يُشْعِرْكُمْ إِنَّ إِذَا และพวกเขาได้สาบานต่อโลอย่างหนักแน่นว่า ถ้าหากมีสัญญาณหนึ่งมายัางพวกเขาแน่นอนพวกเขาจะศรัทธาเนึ่งด้วยสัญญาณนั้นจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าแท้ที่จริงสัญญาณทั้งหลายนั้นอยู่ที่อัลลอฮ์เท่านั้นและอะไรเล่าที่จะให้พวกเจ้ารู้ได้แท้จริงสัญญาณนั้นเมื่อมันมาแล้วพวกเขาก็จะไม่ศรัทธา และเราจะพลิกหัวใจของพวกเขาและตาของพวกเขาเช่นเดียวกับสิ่งที่พวกเขาไม่ได้ศรัทธาต่อสิ่งนั้นในครั้งแรกและเราจะปล่อยให้พวกเขาระเหยเร่ร่อนอยู่ในความละเมิดของพวกเขาต่อไปว และแม้ว่าเราได้มาไลกะลงมาอย่างพวกเขาและบรรดาคนตายได้พูดกับพวกเขา และเราได้รวบรวมเอาทุกสิ่งไว้เบื้องหน้าของพวกเขาก็ใช่ว่าพวกเขาจะศรัทธากันนอกจากอัลลอด์จะทรงประสงค์เท่านั้นแต่ทว่าส่วนมากในหมู่พวกเขานั้นไม่รู้ และในทํานองนั้นแหละเราได้มีศัตรูขึ้นแก่นบีทุกคนคือบรรดาชัยตอนมนุษย์ยินและบางส่วนของพวกเขาจะกระซิบกระซาบอีกบางส่วนซึ่งคบพูดที่ตกแต่งเพื่อเป็นการหลอกลวงและหากว่าพระผู้บานของเจ้าประสงค์แล้วพวกเขาก็มิกระทำมันขึ้นได้ เจ้าจงปล่อยพวกเขาและสิ่งที่พวกเขาอุปโลกขึ้นไปเถิดและเพื่อหัวใจของบรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อพระโลกจะได้โน้มเอียงไปสู่คำพูดที่ตกแต่งนั้นและเพื่อที่พวกเขาจะได้พึงพอใจในคำพูดนั้น และเพื่อที่พวกเขาจะได้กระทำในสิ่งที่พวกเขาเป็นผู้กระทำกันอยู่อาฟาไกร์อัลลอฮีอับดุตไก ل ์ฮะ أ َโมะฮ์َะลลَดดีอันซาลอิลัย ا ุมุล์َ์คิตาบَม ا ل َّ ذ ي ن َ آ ت َลลัด ا ีนอาตีน่าห์มุล์ลَคิตา م ์ยัลลัมَละน์น์َูมูนัซล ن ْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ อื่นจากอัลลอ ก, กรนั้นหรือที่ฉันจะสแสวงหาผู้ชีขาด ท, า ท, าทั้งๆที่พระองค์เป็นผู้ทรงประทานคำภีลงมาแก่พวกเจ้าในสภาพที่ถูกแจกแจงไว้อย่างละเอียดและบรรดาผู้ที่เราได้ประทานคำภีแก่พวกเขานั้นในพวกเขารู้ดีว่าแท้จริงอัลุกรณ น, นั้นถูกประทานลงมาจากพระผู้อวยบานของเจ้าด้วยความเป็นจริง าอยาไ่ถสสนน้อยคำจากพระผู้อวยานของเจ้านั้นครบถ้วนแล้วซึ่งความสัจจะและความยุติธรรมไม่มีผู้ใดเปลี่ยนแปลงบรรดาถ้อยคำของพระองค์ได้และพระองค์นั้นคือผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ หากเจ้าเชื่อฟังคนส่วนมากในแผ่นดินแล้วพวกเขาก็จะทำให้เจ้าหลงจากทางของล้อไปได้พวกเขาจะไม่ปฏิบัติตามนอกจากนึกคิดเอาเอง และพวกก็ไม่ได้ตั้งอยู่บนสิ่งใดนอกจากพวกเขาจะคาดคะเน เ, เอาเองเท่านั้นแท้จริงพระผู้บานของเจ้านั่นคือผู้ที่ทรงรู้ดียิ่งต่อผู้ที่กำลังหลงไปจากทางของผร้และเป็นผู้รู้ดียิ่ง ต่อบรรดาผู้ที่ได้รับทางนับ ด, um ดังนั้นพวกเจ้าจงบริโภคจากสิ่งที่พระนามขอลอดถูกกล่าวออกมาบนมันเถิด หาพวกเจ้าเป็นผู้สราต่อบาดาลองการของผู้รุ่ง อินนรลมบิมะดีมีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเจ้ากระ น, นั้นหรือที่พวกเจ้าจะไม่บริโภคสิ่งที่พระนามของลอตถูกกล่าวบนมันทั้งๆที่พระองค์ทรงแจกแจงแก่พวกเจ้าแล้วซึ่งสิ่งที่พระองค์ได้ทรงห้ามแก่พวกเจ้านอกจากสิ่งที่พวกเจ้าได้รับความคับขันให้ต้องการเท่านั้นและแท้จริง มีผู้คนมากมายที่ทำให้ผู้อื่นหลงผิดไปด้วยอารมณ์ไฝต่งของพวกเขาโดยปราศจากความรู้แท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้าคือผู้ทรงรู้ดียิ่งต่อผู้ละเมิดทั้งหลาย และพวกเจ้าจงละทิ้งสิ่งที่เป็นบาปที่เปิดเผยและบาปที่ปกปิดถ้าจริงบรรดาผู้ที่ขวนขวายกระทำสิ่งที่เป็นบาปอยู่นั้นพวกเขาจะได้รับการตอบแทน ตามที่พวกเขากระทำธครมุลลวลและพวกเจ้าจงอย่าบริโภคสิ่งที่พระนามของอัลลอฮมิได้ถูก กล่าวบนมันและถ้าจริงมันเป็นการละเมิดอย่างแน่นอนและแท้จริงบรรดาชัยตอนนั้นกระซิบกระซาบแก่บรรดาสหายของมันเพื่อพวกเขาจะได้โต้เถียงกับพวกเจ้าและถ้าหาพวกเจ้าเชื่อฟังพวกเขาแน่นอนพวกเจ้าก็เป็นผู้ที่ตั้งพาขีขึ้นแก่ล้วกอวะอ แ ล, และผู้ที่ตายแล้วนั้นเราได้เขามีชีวิตขึ้นและเราได้ให้แสงสว่างแก่เขาซึ่งเขาใช้แสงสว่างนั้นเดินไปในหมู่มนุษย์ลักษณะดังกล่าวนั้นจะเหมือนกับผู้ที่อยู่ในความมืด โดยที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่จะออกมาจากความมืดได้อย่างไรในธรรมนองนั้นแหละได้ถูกประดับให้สวยงามแก่ผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายซึ่งสิ่งที่พวกเขาได้กระทำกันและในธรรมนองนั้นแหละ เราได้มีขึ้นในแต่ละตำบลซึ่งบรรดาบุคคลสำคัญสำคัญเป็นผู้กระทำความผิดแห่งตำบล น, นั้นเพื่อที่พวกเขาจะได้วางคนอุบายหลอกลวงในตำบล น, นั้นและพวกเขาจะไม่วางอุบายหลอกลวงใครนอกจากตัวของพวกเขาเองเท่านั้นแต่พวกเขาหารู้สึกใหม่ว قال แล้วแล้วเ ت, ت الله. الله ى จะไม่เชื่อ و ت กว่ ل เร ل ه ะได้รับเหมือนที่ศาสดาของพ ب ะเจ้าได้ให้พระเจ้าทรงรู้ว่าที่พระ ا งค์ทรงประทานกได้ารไและเมื่อได้มีองค์การใดมาอย่างพวกเขาพวกเขาก็กล่าวว่า เราจะไม่ศรัทธาเป็นอันขาดจนกว่าเราจะรับอย่างที่บรรดาศาสนาทูตของอลัลลอฮ์ได้รับมาแล้วอลัลลอฮ์ทรงรู้ดียิ่งณนะที่พระองค์จะทรงให้มีสารของพระองค์บรรดาความต่ำต้อยและการลงโทษอันรุนแรงจากอาลัลลอฮ์นั้นจะประสบแก่บรรดาผู้ที่กระทำความผิดเนื่องจากการที่พวกเขาหวางอุบายหลอกลวงกัน فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَيَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدَ أ َ ي ُ ض ِ ل َّ ه ُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا ح َ ر َ ج ً ا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ َ فِي ا ل س َّ م َ ا ء ِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ไอ้เขาได้รับทางหนักพระองค์ก็จะทรงให้หัวอกของพวกเขาเบิกบานเพื่ออิสลามและผู้ใดที่พระองค์ทรงต้องการที่จะปล่อยเขาหลงทางก็จะทรงให้หัวอกของพวกเขาแคบอึดอัดปณิหนึ่งว่าพวกเขากําลังขึ้นไปบนฟากฟ้าในทํานองนั้นแหละอัลลอฮ์จะทรงให้มีความโศมงคแกบ่บรรดาผู้ที่ไม่ศ ร, รัทธา น, นี่แหละคือทางแห่งพระผู้บันชาของเจ้าอันเที่งตรงถ้าจริงเราได้แจกแจงองค์การทั้งหลายไว้แล้วสำหรับกลุ่มชนที่รับรู้สำหรับพวกเขานั้นคือบ้านแห่งความสันติ ณพระผู้อภิบาลของพวกเขาโดยที่พระองค์ทรงเป็นผู้คุ้มครองพวกเขาเนื่องจากสิ่งที่พวกเขาเคยกระทำไว้ว และวันที่พระองค์จะทรงชุมนุมพวกเขาไว้ทั้งหมดโดยตรัสคุนว่า โอหินทั้งหลายแท้จริงพวกเจ้าได้กระทำแก่มนุษย์มากมายและบรรดาสหายของพวกเขาจากมนุษย์ก็ได้กล่าวว่าโอพระพิบาลของเราบางส่วนของพวกเรานั้นได้รับประโยชน์ด้วยอีกบางส่วนและพวกเราก็ได้ถึงซึ่งกําหนดเวลาของพวกเราที่พระองค์ได้ทรงกําหนดไว้แก่พวกเราพระองค์ตรัสว่านารกนั้นคือที่อยู่ของพวกเจ้า โดยที่จะอยู่ในนั้นตลอดกาลนอกจากสิ่งที่ล้อส่งประสงค์เท่านั้นแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นเป็นผู้ทรงปริชาญาณผู้ทรงรอบรู้วในธรรมนองนั้นแหละเราจะให้บางส่วนของผู้อาถรรพทั้งหลายเป็นสหายกับอีกบางส่วนเนื่องจาก สิ่งที่พวกเขาได้เคยขวนขวายเอาไว้ هم هم โอ้ยินและมนุษย์ทั้งหลายบรรดาศาสนาทูตจากพวกเจ้ามิได้มาอย่างพวกเจ้าหอกหรือโดยที่พวกเขาจะเล่าให้พวกเจ้าถึงบรรดาโองการของข้าและจะเตือนพวกเจ้าถึงการพบกับวันของพวกเจ้า พวกเขากล่าวว่าพวกเราขอยืนยันด้วยตัวของพวกเราเองและชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้ได้หลอกลวงพวกเขาและพวกเขาก็ได้ยืนยันแก่ตัวของพวกเขาเองว่าแท้จริงพวกเขานั้นเป็นผู้ปฏิเสธการศึกษานั่นก็เพราะว่า พระผู้อิบาลของเจ้านั้นมิเคยเป็นผู้ทำลายเมือ ง, งต่างๆด้วยความอาทําโดยที่ชาวเมืองเหล่านั้นมิรู้อะไรและสำหรับแต่ละคนนั้นมีหลายระดับขั้นเนื่องจากสิ่งที่พวกเขาได้ประกอบเอาไว้ และพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นไม่เคยเผอแผ่ในสิ่งที่พวกเขาได้กระทำกันและพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นคือผู้ทรงมั่งมี ผู้ทรงเมตตาเสมอหากพระองค์ทรงประสงค์พระองค์ก็จะทรงให้พวกเจ้านั้นหมดสิ้นไปและจะไม่ทรงให้สืบแทนต่อจากพวกเจ้าตามที่พระองค์ทรงประสงค์ดังที่ลูกหลานที่สองกลุ่มชนอื่นแท้จริงสิ่งที่พวกเจ้าถูกสัญญาไว้ จะมีมาแน่นอนและพวกเจ้านั้นไม่สามารถจะรอดพ้นได้จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าโอกกลุ่มชนของฉันจงปฏิบัติตามสภาพของพวกเจ้าเถิด แท้จริงฉันก็เป็นผู้ปฏิบัติด้วยแล้วพวกเจ้าจะได้รู้ว่าใครกันที่บ้านปลายแห่งปรโลกนั้นจะเป็นของเขาแท้จริงบรรดาผู้ทำนั้นจะไม่ได้รับความสาเร็จ และพวกเขาได้มีส่วนหนึ่งสำหรับอัลลอฮ์ซึ่งสิ่งที่พระองค์ได้มีขึ้นอันได้แก่พืชและปศุสัตว์โดยที่พวกเขากล่าวว่านี้สำหรับอัลลอฮ์ตามการอ้างของพวกเขา และนี่สำหรับภาคีของพวกเราแล้วส่วนที่เป็นของบรรดาภาคีของพวกเขานั้นก็จะไม่ถึงอลัลลอ์แต่ส่วนที่เป็นของอลัลลอ์นั้นจะถึงบรรดาภาคีของพวกเขาด้วยช่างชั่วช้าจริงๆสิ่งที่พวกเขาตัดสินชี้ขาดกันร قتل أولادهم شركائهم ل ي, ي ر ض و, و, و, و ه م وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فدرهم وما يفترن ในทำนองนั้นแหละบรรดาภาคีของพวกเขาได้ทำให้สวยงามแก่พวกตั้งภาคีจำนวนมากโดยการฆ่าลูกๆของพวกเขา เพื่อที่จะทําลายพวกเขาและเพื่อจะให้เกิดความสับสนแก่พวกเขาต่อาศาสนาของพวกเขาและหากว่าลอล้อทรงประสงค์แล้วพวกเขาย่อมไม่กระทํามันเจ้าจงปล่อยพวกเขาและสิ่งที่พวกเขาอุปโลกไว้เถอะวกาลฮิม และอน ع ا เขากล่าวว่านี่คือประสุสัตว์และพืชผลที่ห่วงห้ามไว้ซึ่งไม่มีใครจะบริโภคมันได้นอกจากผู้ที่เราประสงค์เท่านั้นด้วยการกล่าวอ้างของพวกเขา และปศุสัตว์ที่หลังของมันถูกห้ามและปศุสัตว์ที่พวกเขาจะไม่กล่าวนามของอัลลอฮ์บนมันทั้งนี้เป็นการอุปโลกความเท็จให้แก่พระองค์ซึ่งพระองค์จะทรงลงโทษพวกเขาในสิ่งที่พวกเขาได้อุปโลกขึ้นวคิด และพวกเขากล่าวว่าสิ่งที่อยู่ในท้องของประสูสัตว์เหล่านี้นั้นอานุมัติเฉพาะบรรดาผู้ชายของเราเท่านั้นและเป็นสิ่งที่ต้องห้ามแก่บรรดาพัญญาของเราและหากว่ามันตาย พวกเขาก็เป็นผู้มีหุ้นส่วนในมันและพระองค์จะส่งลงโทษพวกเขาในการที่พวกเขาได้กำหนดลักษณะไว้แท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงปรีชาญาณผู้ทรงรอบรู้ ลลแท้จริงได้ขาดทุนแล้วบรรดาผู้ที่ฆ่าลูกๆของพวกเขาเพราะความโง่เขลาโดยปราศ จ, จากความรู้และห้ามสิ่งที่อลัลลอฮ์ให้เป็นปัจจัยยางจีบแก่พวกเขาทั้งนี้เป็นการอุปโลกความเท็จนให้แก่อลัลลอฮ์แท้จริงนั้น พวกเขาหลงผิดไปแล้วโดยที่พวกเขาไม่เคยได้รับคำแนะนำเลย พรุอง น, น, น, นั้นคือผู้ที่ทรงให้มีสวนทั้งหลายขึ้นทั้งที่ถูกให้มีร้านและไม่ถูกให้มีร้านและต้นอินทผลัมและพืชโดยที่ผลของมันมีรสชาติต่างๆกันและต้นไสูน และต้นทับทิมโดยที่มีความละไม้คล้ายกันและไม่ละไม้คล้ายกันจงบริโภคผลของมันเถิดเมื่อมันออกผลและจงจ่ายส่วนที่เป็นสิทธิมันด้วยในวันที่เก็บเกี่ยวและจงยาฟุมฟ่มเฟือยถ้้จริงพระองค์ไม่ทรงชอบผู้ที่ฟุมฟ่มเฟือยทั้งหลาย ลลูมมมิารัุตอนนหดจากประสุสัตว์นั้นได้ทรงให้มีสัตว์ที่ใช้บรรทุกและใช้ขนเป็นประโยชน์จงบริโภคจากสิ่งที่ อ, อัลอฮได้สรงให้เป็นปัจจัยอย่างชีพแก่พวกเจ้าเถอดและจงอย่าตามเก้าเดินของชัยตอด แท้จริงมันคือสัตร์ร้ายชัดแจ้งของพวกเจ้า และได้ทรงให้มีสัตว์แปดตัวเป็นคู่คู่คือจากแกะสองตัวจากแพะสองตัวจงกล่าวเถิดมูหมัดว่าตัวผู้สองตัวนั้นหรือที่พระองค์ทรงห้ามหรือว่าตัวเมียสองตัวนั่นหรือที่มัดลูกของตัวเมียทั้งสองนั้นได้คุ้มครองรักษาไว้พวกเจ้าจงแจ้งให้ข้าทราบด้วยความรู้อันใดก็ได้หากพวกเจ้าพูดจริง ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذك رين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم مما نفترى ع ل า ا า ل ه كذب ليضلل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين และจากอูดสองตัวและจากหัวสองตัวจงกล่าวเถิดมูมัดว่าตัวผู้สองตัวนั้นหรือที่พระองค์ทรงห้ามหรือว่าตัวเมียทั้งสองนั้นหรือที่มดลูกของตัวเมียทั้งสองนั้นได้คุม้มครองรักษาไว หรือว่าพวกเจ้าร่วมอยู่ขณะที่อัลลอฮ์ได้ทรงรับสั่งแก่พวกเจ้าด้วยสิ่งนี้ก็ใครเล่าเป็นผู้อารรมไปยิ่งกว่าผู้ที่ได้อุปโลกความเท็จให้แก่อัลลอ์เพื่อจะทำให้มนุษย์หลงผิดโดยไม่มีความรู้ถ้าจริงอัลลอ์นั้นจะไม่ทรงให้ทางนำแก่กลุ่มชนที่อาอจรรมำ إلا أي يكون ميتة أو دم مسروحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق ا أهلا لغير الله به فمن اضطر غير ب ا غ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم محمد. ว่าฉันไม่พบสิ่งที่ถูกให้เป็นองค์การแก่ฉันนั้นมีสิ่งต้องห้ามแก่ผู้บริโภคที่จะบริโภคหมัด น, นอกจากสิ่งนั้นเป็นสัตว์ที่ตายเองหรือเลือดที่ไหลหรือเนื้อสุก่อนแท้จริงมันเป็นสิ่งสกพกหรือเป็นสิ่งละเมิดซึ่งถูกกล่าวนามอื่นจากล็อที่มันถ้าผู้ใดได้รับความคับขันโดยไม่ใช่ผู้สแสวงหาและไม่ใช่ผู้ละเมิดแล้วใส่ แท้จริงพระเวทบานของเจ้านั้นเป็นผู้สรงอภัยโทษผู้สรงเมตตาเสมอ และแกบันดาผู้ที่เป็นยิวนั้นเราได้ห้ามสัตว์ทุกชนิดที่นิ้วเท้าไม่แยกจากกัดและจากวัวและแกะนั้นเราได้ห้ามแกะพวกเขาซึ่งไขมันของมันทั้งสองนอกจากไขมันที่หลังของมันหรือลำไส้ได้อุ้มไว้หรือที่ปะาปลนอยู่ที่กระดูกนั่นแหละ ดังกล่าวนั้นเราได้ลงโทษพวกเขาเนื่องด้วยความอาธรรมของพวกเขาและแท้ที่จริงนั้นเราเป็นผู้พูดชี้หากพวกเขาปฏิเสธเจ้าก็จงกล่าวเถิดว่าพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นเป็นผู้ทรงเอ็นดูเมตตาอันกว้างขวาง และการลงโทษของพระองค์นั้นจะไม่ถูกโต้กลับไปให้พ้นจากกลุ่มชนที่กระทำความผิด ค ذ, ك ك ذ, ذ ل ้ ك ก์คดบัลล์ ق ีน์มินควบริ ا พัตตาค ل ุเบสนาคุลเฮ م เงินดะคุมมินอิลหมินฟัต ل อิบ่ ظن น์อินอัลทุมอิลลาทัชรุ و ุนบดาผู้ที่ตั้งพาขีนั้นจะกล่าวว่าหากาอัลล์ทรงประสงค์แล้วพวกเราก็ย่อมไม่ตั้งพาขีขึ้น รวมทั้งบรรพบุรุษของพวกเราอีกด้วยและพวกเราก็ย่อมไม่ห้ามสิ่งใดในทํานองนั้นแหละบรรดาผู้ที่อยู่ก่อนหน้าพวกเขาก็ได้เคยโกหกมาแล้วจนกระทั่งพวกเขาได้ลิ้มรสการลงโทษของเราจงกล่าวเถิดมูฮัมมัดว่าที่พวกเจ้านั้นมีความรู้ประการใดกระนั้นหรือฉะนั้นพวกเจ้าจะต้องนํามันออกมาให้แกเราพวกเจ้าจะไม่ปฏิบัติตามสิ่งใด นอกจากการคาดคะเนเอาเท่านั้นและพวกเจ้าไม่มีอะไรกันนอกจากการกล่าวเพบเท่านั้นจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าละอนั้นทรงมีหลักฐานทุกอย่างหากพระองค์ทรงประสงค์แล้วแน่นอนพระองค์ก็ย่อมให้ทาง น, นำแก่พวกเจ้าทั่วทุกคน